เอาไปแล้วเอาไปศึกษาเอาไปอ่านนะคณะสัทธาญาติโยมลูกหลานเอาไปและโยนไปโยนมาผลที้สูกัแล้วไม่รู้จะเอาไปอะไรก็ไปขายเป็นดีไซนเครื่องไมไ ด, ได้มันไม่คุ้มค่าเลยหนังสือเล่มหนึ่งตังหลายบาทนั่ น, นี่นะหนังสืออย่างดีพิมพ์ตัวใหญ่ให้ดูอีกต่างหากตัวไหนควรจะเน้นให้ได้ความรู้ใส่สีดาเข้าไปอีกอ่านง่ายสาหรับผู้สูงอายุ ไม่ต้องใส่แว่นก็ได้บางคนนะตรุงพ่อไม่ต้องใส่ละอ่านขนาดนี้ถ้าแจกไม่ครบผู้ใดยังพระทันได้อย่าไปหาศูนย์ในห้หงเมื่อหอดบ้านเลยยกมือขึ้นนะบ้านเราออกจากมัวตีฝัด ต, ตือเฟียดเพิ่นบ่อยความสำคัญมาอยู่น้ำกันบ่วห้เฮ้าไปยอย อยากให้ครบนะคัดปล่อยบไดยกมือขึ้นผู้ข่าวเพราะท่านได้เหรอท่าาคนไม่อ่านหนังสือเป็นอันไซเมอร์อันไซเม อ, อร์หูจักบ่ลงหล ง, ลงเริ่มเริ่มเเอ้กูกินขาวได้ยั่งสูบผัวเนี่ทั้งที่กินผัแห้งละ่ะกูกินขาวได้ยั่งสูบกินแล้วฮาก็กินเมือนนี้เดบกบ่นะ้กูพระท่านได้กินผนวเอาไมา่กินอีก บาดท า, านลูกหลานไม่นี่กูมาอยู่นี่กูพัฒน์ได้กินเขาได้เ ข, เขาอยู่ในหืน่นนี่เขาบอกเขาไมา่กูกินาโอ้ยขายขีดหน้าลูกขายขีดหน้าล้านวันไปทั้งที่เขามาให้กินไม่ไม่วันไปแต่บาดนี้ยไทยเชียงไทยเชียงใหม่เขาฉลาดได้บาดเนี่ยไทยเชียงใหม่เนี่ยเขาฉลาดาเขาเอาปลาแดกเอาน้ปาป่าท่ามือไหวบาดเนี่ยท่ามือภูเท่าวันไปไทยเชียงใหม่น่ยฉลาดเลย โอ้ยกูประท่านได้กินข้าวนะกูพระท่านได้กินข้าวคนหน่เอาบริการอย่างไรเรียดมมือโน่นสันดมมือถือกินประแดกเปนบ่อถือกินปลาจอมเป็นอ่าไปอ๋กินลวเ น, นาะคนวะว่าต้องเลียงยากป่าเนวนไปให้ดมเมืออย่างเดียวก็พ่อไปต้องกินเลยวะเนาะสำหรับปุถุเถ้าเนาะปุนาไทายเชียงใหม่เขาจะหลาดอันนี้หลวงปู่จามวใหลวงพ่อฟังวะ หลงปู่จาบัวเนี่ยทชเสียงหม่เขาเนี่เลี้ยงผู้เฒ่าเนี่ะเลี้ยงคนแก่ใช่ไหมเ อ, อ้กินข้าวแล้วก็ว่าไม่ได้กินผอที่ฉุดเขาเอาเนี่ยนะเอาปลาจ่องปาลาล่าเนี่ยทามือไว้ไมันมีกลิ่นว่างนะั้นเออพอเสร็จแล้วกูยังไม่ได้กินข้าวจะไงเอ้าดมมือหรือเสียากินใหม้เนะี่ยดมเออใช่กินและเนาะสูบหนวนี่ยนี่แหละ ต้องอ่านหนังสือด้วยเนี่ยใครไม่อยากจะเป็นอัลไซเมอร์นะต้องฝึกอ่านหนังสือวันละสามสิบนาทีพออ่านเสร็จแล้วให้ทบทวนเ่าข้าอ่านหนังสือมาเนี่มันอ่านเรื่องอะไรนะมันเรื่องอะไรที่ข้าอ่านมาเนี่ยให้ทบทวนดูเหมือนกับเราฝึกขัดสมองของเราให้สมองเราทํางานลักษณะอย่างนั้นแหละเหมือนกับคนที่ขี้เกียจขี้เกียจออกกําลังกายไนงะ เกลียดเราออกกาลังกายให้ว่าตัวเองมีความสุขได้ไปที่ไหนก็หามให้ลูกหลานหามไปหามไปหามมาเดินไม่ได้ได้บาดเพราะอะไรเพราะไม่ออกกําลังกายนี่ก็เหมือนกันสมองของเราไม่ออกไม่ออกไม่ใช้ความคิดเฉลยมันไม่ได้เลยเป็นอันซเมอร์ได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นท่านจะให้อ่านหนังสือทบทวนความจําวันละ30สนาทีเพื่ อ, ออ่านดูว่าอื ข้าอ่านหนังสืออะไรวันนี้เนื้อหาสาระอะไรที่ข้าอ่านมานี่ทบทวนความจำคนนั้นจะไม่เป็นอัลไซเมอร์เพราะนั้นพวกเราพวกเราฟังเอาไวนะ้น่ะเหมือนกับคนขี้เกียจออกกำลังกายอย่างนั้นขี้เกียจเดินขี้เกียจเดินออกกำลังกายจะไปที่ไหนให้แต่ลูกหลานหามไปสบายลูกหลานหามไปเอาไปมาเลย ถามเขาตั้งห้องน้ําบ้านนี่มันเดินไม่ได้เออพราะมันเดินไม่ได้เลยทําไงเอออมอุ้มห้องน้ําบ้านนี่ออไปขี่ไปเยียกก็อุ้มมัดบ้านนี่ตายออยังไม่แก่เลยเพราะอะไรพังผืดมันติดแล้วเออพราะนั้นพวกเราน่ะอย่าไปหัดขี้เกียจเดินนะพอเดินได้เดิน อ, อพอเดินถ้เดินทางเรียบๆ เ, เดินออกกําลังกาย อ, อพยายาม ออกกำลังกายออกกำลังกายได้แล้วนะที่นะั่นขนาดอายุเท่าแก่ชะลา ก, ก็ยังเดินได้เพราะหลุไเพราะว่าเราออกกำลังกายโดยจำบำเสมอถ้าคนไหนขี้เกียจออกกำลังกายแหละไม่นานหรอกเดี๋ยวเขาหามออกมาจากที่นอนอหามเข้าไปห้องน้ําสำมันทรมานเล้ขนาดปวดหนักปวดเบวบไปเองไม่ได้ใช่ไหม เออผลในสูตก็ขี้แตกเกี้ยวราดตะวันเนี่ยผลในสูตรโ อ, โอ้ลูกหลานเขาก็จะทําไงเออเขาจะว่าให้แรงก็ไม่ได้กลัวบาปามีแต่เขาขึ้นในใจโอยนานเท่าไหร่จะตายเนี่ยเขี๋ยวเขาทาวาเท่านั้นแล้วเออเพราะนั้นพวกเราต้องช่วยตนเองนะ่ะผู้สูงอายุทั้งหลายฟังฟั ง, ฟงเอาไวา้วิชาเอาตัว อย่าให้ไม่ให้เป็นภ า, าละของลูกของหลานต้องเป็นอย่างนั้นได้ต้องช่วยตนเองได้นี่แหละพยายามอ่านหนังสือพยายามออกกําลังกายนะ <c oughs> มอย่างเ่าแก่เออจทาาะทําคารวะเหรอเอ้าวางนะพี่น้องเอานั่งโคกเข า, ขาปนมมือยอมผู้เถาผู้แก่เพื่อนจะาภาคคารวะคูบาอาจารย์พระสง พุทเทปมาเทนาทาวารตะเยนกตังสัพพังอปาราทางขมตุโนพันเตธรรมเมปมาเทนาดาวารตะเยนกตังสัพพังอปาราทางขมาตุโนพันเต สังเคปมาเทนะดาวารถเยนกตังสับบางอภราทังขมาตุโนพันเตอจริเยปมาเทนะดาวารถเยนกตังสับบางอภราทังขมาตุโนพันเต มอบกราบลงทุกคนพวกเราท่านทั้งหลายได้ทำคารวะกราบคารวะช่วงเทศกาลเข้าพรรษาประวันวันพุ่งนี้เป็นวันเข้าพรรษาแต่วันนี้เป็นวันอาสารหปูชาพวกเราท่านทั้งหลายได้ก่อนเข้าพรรษาปีพุทธศักราช2559เมื่อพวกเรา มาได้กลาวมาถึงสลาแห่งนี้ได้กล่าบคารวะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพั้งต่อพระพุทธเจ้าพุทเทประมาเทนะข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพังต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสังเคประมาเทนะข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพังต่อพระสงฆ์สาวกพระพุทธเจ้านี่แหละคือจิตใจของเรามันห้ามได้ยาก บางทีมันฉลปไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจก็มีากายกรรมวจีกรรมมโนโกรรมตัวนีเ้เพราะนั้นได้ประมาทพลาดพังขอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โปรโดโหสิกรรมให้พวกฝูงฆ่าทั้งหลายด้วยฉะนั้นอาจารย์ละเยประมาทเทนะข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพังครูบาอาจารย์พระสงฆ์ทั้งหลายาด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ขอประสงค์โปรดโอโหสีกรรมให้พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยดันั้นเมื่อพวกเราได้กล่าวจบลงแล้วนะหลวงพ่อในในานามประธานสงออน้อมนรทมคำสอนหรือน้อมพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือครูบาอาจารย์พระสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงโปรดอโหสีกรรมให้กับพวกเราท่านทั้งหลายขอให้พวกเราท่านทั้งหลาย จงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอให้สมหวังดังปรารถนาดวงตาเห็นธรรมในที่สุดอะหังขมามิตุมเฮหิปิเมข ม, มิตับบังเอวังโหตุเอวังโหตุ โ, โ, โยจะปุเบปมัชชิตวาปัชชาโซ ร, ประปมัชสติโซมังโลกังปพาเสติอภามุตโตวจันทิมา อภิวาธนาสีิจณิจังวุธาปจายโนจัตตารโรธรรมาวัทานติอายุวันโนสุขังภาลังลูกหลานอยู่ในศรัทธาญาติโยมอยู่ในความสงบท่นี่มีอะไรหลวงพ่อจะพูดให้ฟังเรื่องราวปารพในท่วงเทศกาลเข้าพรรษาวันเข้าพรรษา ส่วนพระสงฆ์พระสงฆ์กับวันพุ่งนี้หละ เ, เมื่อจะอธิษฐานพรรษาก็คงจะกล่าวคำคารวะต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อครูบาอาจารย์เหมือนกับศรัทธา ญ, ญาติโยมเลล่ะวันวันพุ่งนี้จะทำพิธีอธิษฐานพรรษาจบแล้วก็คงจะได้กล่าวคำ รัตนัตเยประมาเทนะข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประมาทพลาดพางพัดตราสารณคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยกายด้วยวาจาด้วยใจวันพุธนี้ส่วนพระสงฆ์นะแต่วันนี้พวกคณะสัตยาธิโจมก็ได้มาพร้อมกันถือถือวันเป็นวันอสศระวันอาศระหะบูชานะก็ได้ทําพิธีกล่าวคําคารวะ ที่จบลงที่จบลงสักครู่นี้นะอันนี้เป็นประเพณีอันดีงามสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะพวกเราท่านทั้งหลายบางทีได้เจตนาก็มีไม่เจตนาก็มีบางทีความรู้ความความไม่รอบครอบของเรามันสแสวบออกไปด้วยกายกรรมด้วยมนโนกรรมด้วยกายกรรมด้วยวจีกรรมมันมี พอเราห้ามระยากเราบางทีก็ขาดสติก็มีบางทีก็จงใจก็มีมันใจจิตใจของปุถุชนเพราะนั้นพวกเราได้สัมมาฆราวะสัมมาลาโทษก็เป็นเครื่องที่ดีให้ว่าพวกเราจะได้สำรวมระวังต่อไปแต่ไม่ใช่ว่าเมื่อเราการาบฆรวะเสร็จแล้วก็ทำแล้วทำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน ในเมื่อเราได้คารวะแล้วก็เราก็สิ่งไหนที่เราเคยคิดเคยทำเคยผิดพลาดมาก่อนเราก็จะได้สํารวมระวังจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนะในจิตใจนะวันนี้เป็นวันที่สิบเก้ากรกฎาคมพุทธศักราช2559หเมื่อเช้าคณะัทธาญาจโจมจากจาตรทิศมาตักบาทที่ศาลานอก ดูสึกว่าล้นหลามมากทีเดียวมากกว่าทุกปีปีนี้นะที่เห็นเห็นแล้วก็ตอนบ่ายพระสงฆ์ก็ลงอุโบสถประวันเป็นวันพระแล้วก็ตอนเย็นวันนี้ก็คณะสัตย า, าจ่าโจมไดมารวมกันอีกอเพื่ อ, อทําวัดเย็นแล้วก็ได้กล่าวคําคารวะจบลงสักครู่นี้ต่อเ น, นี้ไปหลวงพ่อจะได้ปรารภเรื่องอ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพวกเราควรปฏิบัติตนอย่างไรแต่ในกิจวัตรของเราในพรรษานับแต่วันพุ่งนี้หละเป็นต้นไปพวกเราก็พระไปบิณฑบาตตามปกติแต่พอบิณฑบาตกลับมาแล้วก็จะมาบิณฑบาต ท, ที่หน้าวัดก่อนแล้วก็พวกเราก็ใส่บาตร ค, คือในพรรษาที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว ไม่รับอาหารที่ตามส่งมาภายหลังคืออันนี้คือเตระสะทุรงสิบสาของพระสงฆ์ทุรง13าของพระสงฆ์คือบิณฑบาตเป็นวัดฉันหนเดียวเป็นวัดนั่งอาชนะเดียวฉันเป็นวัดฉันในบาดเป็นวัดใช้ผ้าบางสกุลเป็นวัดใช้ผ้าสามผืนเป็นวัดจูโคลนต้นไม้อะไรลักษณะนี้แหละอยู่ในที่แจ้งรอมฟงัง มีหลายๆอย่างเอ่อเรียกว่า13ข้อแต่ว่ามีข้อหนึ่งใน13ข้อนั้นแหละไม่รับอาหารที่ตามส่งมาภายหลังคือบินธบารเท่าไหร่ก็เท่านั้นละ่ะไม่ต้องล่ำรีล่ำไล่ง่ายง่ายๆแต่หลวงตาท่านก็เลยถือมาตั้งแต่ท่านอยู่กับหลวงปู่มั่นหลวงปู่ล่าเคยพูดให้ฟังว่าหลวงตามาหาบัวบินธบารอาหารข้าวตกบาตรเท่าไหร่ท่านก็ฉันเท่านั้นละ่ะไม่ฉัน อาหารที่ตามส่งมา อ, าองอื่นท่านจะเอาก็ไม่เป็นไรแต่หลวงตาท่านไม่เอาเพราะท่านท่านจึงถือถือมาตั้งแต่สมัยอยู่กับหลวงปู่มั่นพอท่านที่สร้างท่านมาสร้างวัดป่าบ้านตาดหรือท่านไปอยู่น่าสถานที่ใดๆไปอยู่ห้วยทายก็เหมือนกันต้องใส่บาตรนอกวัดถ้าถ้าใครเอาอาหารนามาในวัดท่านจะไม่รับ ถึงท่านจะรับว่รับเป็นพิธีใครเขารับเสร็จแล้วท่านก็ให้ศรัทธายาติโยมทานต่อไปส่วนภระสงฆ์ในท่านจะไม่รับที่อาหารตามส่งมาภายหลังเพราะนั้นท่านถือจิวบนตาดหลวงพ่ออยู่กับท่านเป็นเวลา14ปีท่านบินถบาทมากออย่างที่ว่าเนี่ยนะโขนก็ตักบาทแต่ความปรารถนาของท่านคือคือมักน้อยเอาเพื่อไม่ให้มันลกงวงหลางไม่ให้มาก อาหารใส่บาตรตกบาทเท่าไหร่เอาเท่านั้นแหละนะแต่ทีนี้ไม่เป็นอย่า ง, งานั้นทีนี้ศรัทธาญาติโยมใครๆก็อยากจะทําบุญพอใส่บาทเข้าไปคนนั้นก็ใส่คนนี้นก็ใส่ผลในสุดนะ่ะอาหารเนี่ยล้นหลามมากกว่ามากกว่าที่ที่อาหารตามส่งมาอีกที่หลังอีกต่างหากอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นเนี่ย น, นะนี่แหละอันนี้ก็คือเราก็ต้องปฏิบัติถึงจะยุ่งยากอย่างไง ที่พุกพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาปฏิบัติมาเราก็ควรจะเดินตามแนวแถวปฏิปทาของท่านเพราะนั้นวันพุ่งนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ะเป็นต้นไปพระเก่าก็ควรจะแนะนาพระน้องๆให้รู้จักวิธีกรรมพิธีการจะทำยังไงควรจะเรียกมาแล้วก็จับเข่าคุยกันก็ได้ถ้ายังไม่เข้าใจนะ พอ น, นั้นผูกลุ่นพี่สอนสอนวิธีการทำยังไงเก็บอาหารไว้ยังไงเก็บไว้ฉันนยังไงแต่ถึงยังไงก็อย่างว่านะเราอดอาหารเราอดอ ด, อดวันสองวันมันเป็นไรไปอดวันเดียวเท่านั้นแหะถ้ามันผิดพลาดมันก็จะเรียนรู้ได้เร็วยิ่งกว่าอะไรอีกนะอันนี้ก็คือกิจวัตรในภาษาของพวกเราและก็พร้อมกันในเมื่อ วันพระศรัทธาญาติโยมอย่างวันนี้ล่ะที่มารักมาร่วมกันสมาทานศีลไหว้พระมาจากหลายๆายแห่งแต่ผู้ที่อยู่ในถิ่นฐานในะแวกนี้ที่จะมาสู่วัดของหลวงพ่อที่มาสมาทานศีลก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ในใจของตนเองถ้าเป็นไปได้ก่อนในพรรษานี่ก็อยากจะให้พวกเราทุกๆท่าน สมาทานศีลอุโบสถเนี่ยคือศีเลเด็กข่ำคือรักษาศีลแปดอย่างน้อยก็รักษาศีลห้าอย่าได้ขาดในพรรษาเพราะเราปล่อยป่าละเลยมานานพอสมควรไม่รู้กี่ปีกี่เดือนมาถึงบัดนี้เพราะนั้นเราจะปล่อยป่าละเลยไปอีกเหรอก็ไม่น่าจะถูกต้องเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านศรัทธา ญ, ญาติโยมทุกคน ควรจะมีศินห้าจะเป็นอย่างน้อยแล้วก็สินอุโบสถศินแปดเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสคือศินศินหกสินเจ็ดสินแปดเนี่ยเหมือนกับพระถือทุปรงลักษณะอย่างนั้นแหลอพระไม่ถือธุปรงก็ไม่เป็นไรไม่ผิดไม่ผิดวินัย น, นะพระไม่ถือธุปรงแต่ว่าการถือทุปรงนะั้นเป็น เ, เป็นเครื่องขัดเกลาให้เป็นผู้มักน้อยสันโดษไม่ให้ ยุ่งเยิงบุ่นวายพูดง่ายๆนะแต่ว่ามันทุกวันนี้ก็อย่างทุดงก็อย่างว่าอีกเหมือนกันศรัท ธ, ธาญาติโยมก็ารู้ตะกอน้าบางสกุลไปเก็บเอาตามป่ า, าช้าอัดชัก้าบางสกุลแต่ศรัท ธ, ธาญาติโยมเขารู้เนี่ยเขาก็เอา้ามาวางไว้ที่พระกูบาจารี ทางเดินของท่านและที่กุฏิของท่านและที่บันไดของท่านจากนั้นท่านก็ได้ชักผ้าบางสกุลอันนี้ท่านก็ถือว่าเป็นผ้าบางสกุลเป็นผ้าที่ได้มาโดยชอบรมไม่ได้ถวายกับมือของท่านอันนี้ก็ถือว่าผ้าบางสกุลอันนี้ก็จะก่อนต้องเก็บในกองยักเหยื่อในที่เขาทิ้งไว้ ในที่ต่างๆที่เขาไม่ได้ใช้เขาทิ้งบางทีคนสมัยนั้นบางทีหนูกัดผ้าเขาถือว่าเป็นอาเพศอาถรรพ์ถือว่าเป็นอัอ ป, ปมงคลเขาก็โยนผ้าทิ้งทั้งหมดพอหนูกัดแปลว่าเป็นผ้าที่เป็นอั ป, ปมงคลไม่น่าใช่นี่แหละพระในครั้งพุทธกาลในครั้งพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ผ้าอย่างนั้นละ่ะ ผ้าที่เขาทิ้งไว้นะ่ะท่านก็เอามาตัดท่านไม่ได้ถือว่าเป็นมงคลไม่เป็นมงคลนะขอให้เป็นผ้าใช้ได้ก็แล้วกันนะท่านไม่ได้ถือนะ่ะไม่เหมือนกับพราหมณ์พดของเราไม่ได้ถือนะทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะถ้ามันผ้าขาดจะ ใ, ใช้ไม่ได้ถ้าผ้าไม่ขาด ใ, ใช้ได้ทั้งนั้นแหละอันนี้ก็คือทุดงสําหรับพระสงฆ์ที่ อยู่ในวัดของเราแต่คณะทายาทโยมมาตักบาตรก็เหมือนกันไม่ต้องหนักใจสมมติว่าพระทั้งสีสิบองค์เราจะจัดอาหารยังไงถึงจะครบองค์เนะี่ะวันนั้นก็ไม่ต้องหนักใจใส่เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละพระสงฆ์ท่านจะดูกันเองถ้าพระสงฆ์พกรุ่นพี่ก็ต้องดูถ้าอาหารไม่ถึงรุ่นน้องก็ต้องบอกนะไม่ใช่ว่าเฉยไม่ลุกไม่ชี้ไม่ได้นะ การอยู่ด้วยกันต้องดูกันต้องมองกันทํามาถึงเอาเอาอาหารจากหัวหน้าลงไปใส่เข้าไปอีกเฉลี่ยให้รุ่นน้องๆลูกๆ ล, ล้านๆให้ได้อยู่ได้ฉันหลวงพ่อไม่ได้อย่างอื่นเพราะว่าของพ่อเป็นหัวหน้าถือจะไงยังไงไใครก็ใส่หัวหน้าอยู่แล้วแหละแต่หลวงพ่อเอ้ยไปใส่ ไปปลายหางนะไปปลายแถวนะคณะธรามญาติโยมนะแต่เขายังไงเขากยังใส่หัวหน้านั่นแหละถึงยังไงก็ตามถ้าอาหารหัวหน้ามากกันกันเนี่ยเราก็บอกเออเอาไปใส่ทั้งปลายปลายหลังให้ด้วยนะถ้าอาหารทางหลังไม่เพียงพอพราะนั้นให้รุ่นน้องทั้งหลายกูบาเก่าทั้งหลายก็ต้องดูดูพวกปลายแถว หลวงพ่อก็บอกแนะนําไปหมดคือสรุปแล้วก็คืออาหารเนี่ยมันต้องทั่วถึงสัพเสสพสัตตาอาหารฤทธิกาสรพสัจทั้งหลายเป็นอยู่ด้วยอาหารพวกเราต้องมีทุกคนมีปากมีท้องทามนต้องมีอยู่มีฉันพวกง่ายๆถ้าจะฉันนะเว้นเสียถ้าจะอดถ้าจะอดก็ไม่เป็นไรอดนี่แหละ อันนี้ก็คือการบิณฑบาตและก็พร้อมกันพวกที่มารักษาศีลก็เหมือนกันเท่นี่พอมารักษาศีลในวัดผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายจึงเป็นฝ่ายผู้หญิงฝ่ายผู้ชายถ้ามารักษาศีลนะกันไม่ควรจะสูบบุหรีคุยกันออันนั้นไม่ดีนะบางทีหมูพวกเพื่อนเดอนจงกรมนั่งภาวนาตัวเองก็มาคุยกันพอหิวข้าวนะ ผลในสุดก็ไม่ได้อะไรมานั่งคุยกันทำให้ไม่ได้ภาวนาเพราะนั้นให้อยู่ในความสงบให้หลีกเล่นให้อยู่คนละมุมกันให้เดินจยกกลมให้นั่งภาวนาอ่านหนังสืออ ย, อย่างน้อยกันน่ถ้าไม่มีอะไรก็ฟังเทศของหลวงตาที่หลวงตาแสดงธรรมเพราะ ว, วัดของเรามีสถานีวิทยุอยู่แล้วฟังนั่งฟังเทศเพราะว่าเรามาศึกษาธรรมะ มาสูวัดเนะี่ยไม่ใช่มาอย่างอื่น อ, อย่างน้อยพระไปนั่งภาวนาไม่ได้ก็ให้ฟังธรรมเทศนาใส่ใจในธรรมฟังธรรมฟังเทศฟังธรรมนี่แหละอันนี้ล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นแหละแต่ว่าพวกเราวิจักรู้จักวิธีการเสา ะ, ะแสวงหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจวันนั้นในพรรษาเนี่แหละหลวงพ่ออยากจะให้พวกเราผู้ที่เขามาวงในอย่างนี้แหละ พอหลวงพ่อพูดเมื่อเช้ากันนะ่ะพูดในภาพรวมทั่วๆไปพี่น้องชาวบ้านลูกหลานทุกคนถ้าเป็นไปได้กันนะงดสุรานะแต่พวกเรามันมาอยู่พอขนาดนี้แล้วนะคำว่างดขนาดนั้นไม่น่าจะไม่น่าจะพูดถึงน่าจะให้เข้ามาสวนในส่วนลึกว่าควรจะมีสินห้าประจําหรือไม่หรือจะมีทุกวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันพระนะ ควรจะมีศีลห้าควรจะมีศีลอุโบสถแต่ว่าตามให้จริงศีลอุโบสถเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยอยากจะให้พวกเราทุกๆ ท, ท, ท่านรักษาศีลอุโบสถอุโบสถเนจศีลเนจข่ำศีอลอภิมจริยายทุกวันพระในพรรษานี่ยมันก็ไม่กี่วันท่านเองนะสี่สามสสองเดือนหนึ่งมันก็มีสี่ครั้งท่านเองแปดค่ำสิบห้าค่ำแล้วก็แปดค่ำ แหลมสิบห้าค่ำเดือนหนึ่งสี่ครั้งสี่สามสิบสองเพียงสิบสองวันเราจะรักษาศีลอุมโมสถไม่ได้เลย อ, อันนี้ก็เป็นเครื่องเตือนตัวเองถ้าว่าเราไม่ได้คิดเนี่ยมีแต่เรื่องยุ่งยากจะไปยุ่งยากไปถึงไหนล่ะถ้าว่าตัวเองตายไม่เป็นก็ไม่เป็นไร ถ้าว่าตายเป็นอยู่นะถ้าตายไปแล้วมันจะไม่ยุ่งยากเหเลยนะนี่แหละเอถึงข่าวตายแล้วก็ถึงเอ้ยมันจะไปยุ่งยากอะไรมากมายนักหนาเอถึงตายไปแล้วถึงข่าวตายนะมันจะไม่ยุ่งยากเลยเอนะจะมามีเวลาตายแล้วเนี่ยถ้าเป็นลักษณะนี้นะเอ SA, เวลาอยู่ดีๆหาเวลายากเหลือเกินเวลาตายล่ะคงจะมีเวมไม่ไม่มีเวลาตายเมื่นอนไงเรื่องตายไม่มีเวลาจะแล้ว มันจะตายเวลาหนะมันก็ตายได้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านทุกๆคนนะต้องหาเวลาให้ตนเองอย่างน้อยนะเดือนหนึ่งในพรรษาได้เพียงสามเพียงสิบสองวันเรายังประกอบคุณงามความดีไม่ได้มันก็ชักจะห่างเหินเกินไปจะแล้วนะหลวงพ่อว่านะอันนี้เป็นหลวงพ่อชี้นาชี้แนะชี้ประเด็นให้ดู ว่าพวกเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรในพรรษานี้ทางว่าเป็นไปได้รักษาศีลห้าตลอดไตรามาสสามเดือนนั้นดีสำหรับผู้สูงอายุนะควรจะปล่อยควรจะปล่อยควรจะวางให้ลูกห ล, ล, ลานเขาทำแล้วละ่ะเรื่องต่างๆนะพวกเราก็หามันโค้งสุดท้ายของเราแล้วเราควรจะหันเหเข้ามาสู่หลักธรรมปฏิบัติ สัมรวมกายวาจาใจของเราแล้วนะเราจะอยู่จะกินยังไงเราไม่ต้องห่วงหรอกกินติบกินเดียอะไรก็ถึงคขาวมันหรอกมันก็ทายออกเป็นอย่างเกานะ่าน่ะเหม็นอย่างกานะนะเก้านั่นแหละตายอย่างเก้านั่นแหละออพอเป็นไปได้พอไช้ทานประทังชีวิตไปกับเพียงพอแล้วไปให้ประกอบคุณงามความดีอ่านั่นแหละดีที่สุดนะถ้าพวกเราประกอบคุณงามความดีสั่งสมผลกุศล บุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเรานั่นแหละเลิศประเสริฐนะคณะสัทธาญาิโจมทุกทุกท่านแล้วก็พร้อมกันในพรรษาที่ว่าเน่ข้าพรเจ้าจะนั่งสมาธิทุกวันไม่ได้ขาดต่ได้ควรจะมีอีกเหมือนกันน ะ, ะบางทีก็ให้เขาดับวิทยุโทรศัศน์ซะตอนหัวคำ่ำประมาณสามสีทุ่มเนี่ยบางทีเขา อยังฟังข่าวอย่างอะไรอยู่ก่อนเราก็พักผ่อนนะนอนรอรอเขาในเมื่อลูกหลานอยู่ในความสงบแล้วเราก็ค่อยลุกมา ก, วาวาา ก, าก็ว่ายพระเออหรือว่าขณะที่นั่นเราก็ไหว้พระก่อนจากนั้นลูกหลานเ อ, อปิดวิทยุโทรทัศน์แล้วนะเราก็ค่อยนั่งสมาธิทีนีน้นั่งในที่นอนของเราก็ได้นไม่ใช่นั่งนั่งในห้องพระแต่นั่งในห้องพระก็ดีนั่งในที่นอนของเรานะี่ยนะ นั่งขัดสมาธิดับไฟซะ อ, อ่อย่าไปอย่าไปให้มีไฟดับไฟเลก่เออไหวพระกาพุทธโทธธ ร, รมโมสังโคนิพานั่งจากนั้นก็นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายแต่แล้วก็ปน ม, มือขึ้นระหว่างอกซะก่อนอ่แล้วก็นึกพุทธโทธธ ร, รมโมสังโคไหวครูซะก่อน3มจบ ทำ ม, มากก่านั้นก็แผลเมตตายสักรอบหนึ่งข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถน า, าเราตั้งจิตอธิษฐานเสร็จแล้วเอามือลงเด็ดมือซ้อนกันจากนั้นก็กำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทพดโทพดโท ไม่ใหม่เราจะตั้งนาฬิกาก็ได้นะออวันนี้เราจะนั่งสักสามสิบนาทออีจากนั้นก็นั่นแหละ เ, ออเราก็รนั่งให้ได้ตามนั้นแต่ถ้าว่าจิตใจมันหลงมันเผลอไปเราก็บริกรรมพุทโธให้ทีขึ้นนะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธหยุดในจิตใจของเราให้สำทับอยู่กับตัวนึกคิดนะให้พุทโธให้ทีนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่ง แต่ถ้าว่าพวกเรายังเผยมันเผอช่วงไหนวะให้นับดูไนงะหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองอย่างที่หลวงพ่อเคยแนะนําพอนับไปถึงร้อยไม่เผลอยใช้ได้ถ้ามันเผอมันเผอช่วงไหนหายใจเข้าเป็นเลขคี้หนึ่งหนึ่งสองสาสี่ขี้คู่ขี่คู่ขี้คู่แต่พอมันเบอร์เบอร์มันมันเผอเข้าไปมันจะคู่ขี้นะแต่ สามสิบสองหายใจเข้าสามสิบสองหายใจออกสาสิบสามนี่ยมันมันผิดแล้วนะทีนี้นะแต่ ว, ว่าหายใจเข้าอหายใจเข้าออสิบแปดหายใจออกสิบเก้าอย่างนี้มันก็ผิดแล้วนะเพอมันเลขหายใจเข้าเป็นเลขขี่หายใจออกเป็นเลขคู่เราก็ตั้งต้นใหม่อย่าไปนับต่อนะพอเราจะได้รู้ว่ามันเผลอไปช่วงไหนนะี่แหละเอาจนตั้งสติให้ได้ ผลที่ฉุดนั่นนะ่ะในเมื่อเราภาวนามีสติสัมปชัญญะในตัวเองเมื่อสติของเราแน่นหนามั่นคงนะจิตใจจะเข้าสู่ความสงบแล้วนะที่นี้นะเออจิตใจจะเข้าสู่ความสงบเย็นว่ามีความสุขลึกๆในจิตใจอันนี้จิตใจเริ่มเป็นสมาธิแล้ทีนี้คณิกะสมาธาิต่อไปแต่จิตใจของเราดูเองอ่าจิตใจไม่ให้มันเผลอ สติของเราควบคุมจิตจิตของเรานึกคิดเรื่องอะไรเราทันสติของเราทันจิตไม่ปุงไม่ฟุง้งไม่ซ่านไม่หิวไม่หวยจิตรู้ว่านึกคิดเรื่องอะไรได้ยินเสียงอยูอ่แต่เรารู้อยู่ว่าใจของเราอยู่ในสถานที่ใดขณะนี้อันนี้เราว่าอุปจารสมาธิจิตใจแปลว่ายังไปอยู่แต่ว่าอยู่ใน อยู่ในอานัตย์อยู่ในการดูแลของสติอันนี้เรียกว่าอุปจาระแต่อปปนาสมาธิน่ะจิตมันรวมสงบลงไปเน่งเป็นเอกเทศของมันแเนี่ยมันเหมือนกับตกเหวตกบอ่อแล้วเหมือนกับมันโบกแต่มันไม่หลงไม่ลืมนะมันยังสติอยู่กับจิตดวงนั้น เ, เน่งจิตเป็นอันใดสติกับจิตเป็นอันเดียวกันอันนี้ แปลว่าจิตสงบที่รวมเป็นอัปปนาสมาธินะแต่บางคนก็ได้นานบางคนก็ไม่ได้นานที่เป็นจิตที่เป็นสมาธิแต่ว่าถึงยังไงก็ตามจิตที่รวมถึงประเภทนั้นนะ่ที่เป็นอัปปนาสมาธิมันเชื่อมั่นในตนเองอย่างสุดๆเลยไงมันเชื่อมั่นว่าตายแล้วเกิดได้ตายแล้วศูนย์บ่งบอกถึงความชัดเจนในความรู้สึกเพราะว่า มันใจออกไปจากร่างกายมันเอกเทศของมันแต่ร่างกายถูกเผาไฟทิ้งแ น, แน่แต่ว่าตัวนามธรรมคือตัวจิตใจนั่นแหละพร้อมที่จะไปหาเกิดปฏิสนที่ในภพภูพมิเหมือนอื่นได้นั่นแหละเราจึงเชื่อพระพุทธเจ้าว่าตายแล้วเกิดนะตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดแน่นอนเพราะมันมันบอกชัดเจนในความรู้สึกของตนเองรู้ได้ด้วยตนเองนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะ อันนคือจิตที่เป็นอัปปนาสมาอัปปนาสมาธนะิเรื่องสมาธิมีอยู่สามสามขั้นเท่านี้แหละคณะอุปจาระอัปปนาสมาธิในเมื่อถอนออกมาแล้วก็นำมาพิจารณาทางด้านปัญญาเนะี่ยพิจารณาร่างกายสังขารพิจารณาถึงกรรมฐานห้าเกศาโลมานขาทันตาตะโจอย่างที่พวกเร า, าทิศทายเมื่อกี้นี่นะ่ะ มังสังเนื้อเอ็นกระดูกเกี่อในกระดูกแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายให้เห็นชัดเจนเพราะใจของเรามันหลงหลงร่างกายเพราะฉะนั้นจึงท่านจึงให้พิจารณาร่างกายเอาใจที่ผ่านความสงบนั่นน่ะนำมาพิจารณาร่างกายสมถะสรุปแล้วก็คือสมถะคือขาขวาวิปัสนาสมถะคือขาซ้ายวิปัชนาคือขาขวา ต้องไปด้วยกันต้องภาวนาต้องให้จิตใจสงบเป็นพื้นฐานพอสมควรซะก่อนจึงนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาเพราะนั้นหลวงพ่อจึงว่าเปรียบเทียบว่าสมรรถะคือขาซ้ายวิปัสสนาคือขาขวาถ้าว่าเรามีแต่สมาธิอย่างเดียวเออคนขาเดียวมันก็นเดินไปหรือเามเดินไม่ได้ถ้าวิปัสสนาก็เหมือนกันปุปปับปรุงมาพิจารณาเลย โดยที่ไม่มีจิตใจไม่เป็นสมาธิเมือนถึงมือถึงขาขวาขาเดียวมันก็เดินไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะนั้นสมถะและวิปัสสนาเป็นของคู่กันแต่ไม่ใช่ไม่ใช่พิจารณาพร้อมกันไม่ใช่นะแต่เมื่อทำจิตใจให้สงบเป็นพื้นฐานพอจิตใจสงบเป็นพื้นฐานแล้วก็นำจิตใจที่ผ่านความสงบนั่นแหะ นำมาพิจารณาอีกทีหนึง่งพิจารณาเกสาผมโลมาข น, นาขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยือ่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเกา่าแยกส่วนแบ่งแบ่งส่วนของร่างกายจากนั้นมมก็มาแบ่งแยกส่วนแบ่งส่วนของกระดูกอีกเอยมองดูกระดูกตั้งแต่กระโหลกศีสระมันมีกี่ชี้มันมีกี่ชิ้น เบ้าตามันเป็นยังไงจมูกเป็นยังไงเราไม่ต้องให้มีหนังนะไม่ให้มีเนื้ออีกต่างให้เป็นแต่โครงกระดูกเท่าเราไปเห็นโครงกระดูกที่ไหนเราให้สังเกตดูจากหน้ากระดูกปากดูฟันของเราขากรรไกรของเราเป็นอย่างนั้นจริงไหมร่างกายของเรานี่แหละอันนี้ก็คือให้พิจรารณาร่างกายในเมื่อพิจรารณาร่างกายเห็นตามความเป็นจริงตั้งแต่กระโหลกศีรษะ ไล่ลงไปเรื่อยๆจนถึงกระดูกคอกระดูกไห้ปาระกระดูกแขนกระดูกชี้โคกระดูกสันหลังลงไปถึงกระดูกสะโพกกระดูกขากระดูกเข่ากระดูกแข้งกระดูกฝ่าเท้าลักษณะอย่างนั้นน่ะพิจารณาไล่ลงไปแต่ไม่ใช่เอาครั้งเดียวนะกลับไปกลับมากลับมากลับไปไม่รู้กี่เที่ยวอลงตามหาบัวสมงหวัพิจารณาร่างกาย ให้พิจารณาเหมือนกับเราคาดนาจนมูลไถ่มูลคาดแตกกระจุยกระจายละเอียดน่อยนี้ก็เหมือนกันการพิจารณาร่างกายไม่ใช่พิจารณาเพียงครั้งเดียวแล้วหยุดไม่ใช่พิจารณาหลายครั้งหลายครั้งหลายหุ่นกาหนดทดทบทวนอยู่นั้นเห็นร่างกายเป็นของจริงร่างกายเนี่ยเป็นของไม่ใช่ตัวตนของเราจริงอีกสักวันหนึ่งมันจะต้องไหลลงสภาพดินน้ําลงป่อยแตก ตายสลายแน่ๆดินไปสู่ดินน้ำไปสู่น้ำลมไปสู่ลมไฟไปสู่ไฟมันไม่ใช่ตัวตนของเราขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเรานะใจนะและส่วนอื่นละ่ะจะเป็นของเราได้อยู่เหรอเงินคำทรัพย์สมบัติเรื่องสวนไร่นาสามีภรรยาลูกหลานญาติโกโหติกาครูบาอาจารย์วัดวาศาสนา จะเป็นของเราได้อยู่หรอนะขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเรายังไม่ใช่อของเราใช่ไหมอีกสักวันหนึ่งเขาจะเผาไฟทิ้งอยู่ใช่ไหมนี่แหละเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วนะใจของเราก็มันย้อนถึงมาหาตัวผู้รู้คือใจเลยใ่ไหมในเมื่อถึงใจแล้วกัพิจารณาใจเห็นใจของตัวเองพิจารณาตัวผู้รู้ตัวผู้รู้เนี่ยเป็นอันอนิจจังเหมือนกันนะอันนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุก สิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเรานะจากนั้นก็ปล่อยวางเข้ามาหาตัวผู้รู้มาหาใจนะคณะจัทธาญาติโยมบวกลานวิธีการภาวนาปฏิบัติผลฤทธิ์บสุทธิ์ตุดพ้นที่ไหนมันอยู่ในใจทั้งหมดเลยมาหาตัวนี้แหละมารู้ที่ใจปล่อยวางที่ใจเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจนี่แหละมรรคผลนผิพพานมันได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเท่านั้นละ่ะ วันนี้หลวงพ่อได้พูดเพียงเท่านี้ก่อนต่อนนี้ไปให้ครูบาเปิดเอ็มพีสามให้คณะทายาติโยมฟังอีกสินะเอานั่งคาะมาที่นที่นี่นะขาขวาทับขาซ้ายเสร็จแล้วปนมมือขึ้นระหว่างอกไหว้ครูซะก่อนจากนั้นเอามือลงแล้วก็ภาวนาพุทธโทพุทธโถนะฟังเทศไปด้วยการฟังเทศอย่าไปส่งเสียงไปถาเสียงเทศ ให้ดูที่ลมหายใจเข้าออกตอนเองแล้วเสียงมันจะเข้าทางหูเราเองแล้วเข้าใจเข้าใจเข้าใจไม่ต้องฟังไม่ต้องจาไม่ต้องฟังจำเพื่อจำฟังเพื่อรู้ท่านพูดเรื่องอะไรรู้รู้รู้รู้เท่านั้นนะ่ะนะเอาต่อนี้ไปก็นั่งคัตสมาธินันตต น, นินะกูบาทั้งหลายนะ